พระทั้งหมดมีเท่าไหร่ไปกูบา่าวไปพระสามสิบสี่งดชันเก้าโดยมากกูบา่าวมาจันบ่ค่อยพร้อมๆกันบางที่ ข, นขันหักว่าขันทวันหลวงพอบอกวา่าเพิ่นอดอาหารเพิ่นตั้งใจอดอาหารห่างเทือบางองค์มาต้อนตื่นสายก็มีห่างเทือวนอไปขันขันหลวงพอบอกวา่า พันธีนั่งตื่นสายเราพันยังม่บบวมมากเนี่ยมันก็จะ เ, เมาลวดโพดวนไปลงพ่อก็เลยบอกให้เทคนิคให้ฟังมันเอาไปเพราะนั้นผู้บาด ท, ทั้งหลายต้องต้องฟังไว้นะอะพอนอนตื่นสายมากมาท่านบว ท, ท่านมู้บ่เนี่ยเฮ็ดยังไงบ่เนี่ยกันทีมากไอ้มันสายโพดผลมันนอนตื่นสายเอาไปเอาไปมากก็เลยคนบนบวราดพลวดตกขัวต่างต่างอาบน้ามันเอาไปตกสะพานต่างอาบน้ามันาไป คือสมัยกนะ่อนเเขาไปป่าไปถงมันมีไม้ถอนเดียวนะ้นหมมีสะพานไงคืออยงที่สี่เด็กผมมีสะพ า, านค้อกีดมีไม้ขอนเดียวพาดคามวยคามห้องอะนะบ้านเห้ก็ค่อยไต่ไปไวนะ่าพอไต่ไปมันมันมืดเนี่ยเป็นมลห่หนาฝนนะั่นตกต่ำลงน้ำหมดไปพวกตกต่มลงน้ำก็ทําท่าอาบนา้ำเฉยเลยลงไป <c oughs> <c oughs> ขั้นดียวว่าจะคล้องตกนา้า ใช่ที่ว่าตกขัวมันคล้หนาจะคของออกันไปก็เลยพอตกขัวต่างอาบหนามกันไ้อาบหนามเรื่อยกัไปเลยเลค่อยปีนขึ้นว่าใหม่หมดเลยหดโวล้านเขาว่าอันนี้คือกันะคู่บาดนอนตื่นสายแล้วทําท่าอดอาหารต่อเรื่อยกไปแต่แน่จริงส่บโ่บ่มีพ่อในบอกง่ายๆเลยแต่ลงมพ่หญินมเมาโหลดกันไอห้างเธอกับการนอนตื่นสายกับมันกับพิดเวลาบางข้างมันบ่ะ บางที่พอนั่งพวนานั่งพวนามันเดิกล่ะน่เตือยังกมนั่งไปย่ำสู่กับการการรับการ น, น, านั่งมันไปเพราสู่ไปสู่มาบาดนี่มันสู่ไหวได้เพระนงอยแล้วมันกัรับน่ไปถ้ารับเตือนคือมาถ ๆ, ๆๆๆๆไปไง่ายเลยอาา์เนี่ย <c oughs> เอาไปมาเห็นจางไดนบางนี่สิมากับพกท่านมูอเอดอาหารต่อเร่อไปจันกันมี แต่ยังกันนั่ตื่นสายหรื ก, มกไไม็มีคนออกไปมันมีไหลายแนวก็ยังเออมื่อวานนี้ลงพอิเวอเป็นภาษาบ้านเฮ้าให้ฟังว่าจะเป็นภาษากลางให้คณะรัทยาญาติโยมฟังหลายมือแล้เมื่อวานนี้เห็นลูกหลานมาจากกรุงเทพมาจากจากตัตุรทิศไปทําการทํางานมากมาหอดบานกับพระพอ่อตูแม่ตามมาทําบุญะตัวเองก็อยากจะทําบุญด้วย เพราะว่าไปทำการทำงานเหมือนกัมีแต่แตการแต่งานแต่ละหมื่นมีแต่ยูในโลกงานถ้าพอมาถึงบ้านก็เออพาไปทำบุญทำท่านวัดไกลบ้านราแวกนี่ที่มองมอ ง, มองเห็นนี่มทั้งสุวรรณคู่หาม่ทั้งนาโสมทางบ้านผือเชีงะหมยสังคมเบิ่งๆบงน้องบัวลำโพ ่คือมีหลายหมู่บ้านมีหลายกรมลูกหลานที่มาบนเลยเต็มสล่าหนะลวงพอเบิงแล้วก็น่นอุ่นใจกับคณะลูกหลานควรจะใส่ใจในการบุญการกุศลนะ่ะเพราะว่าพวกเฮ้าเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้พบบัณพอบรรุษของพวกเฮ้ากับเป็นผู้ไฟในการกุศล ไฟในการบุญการท่านผู้เฮ้าลูกหลานเกิดไม่ใหญ่ที่หลังกับขุจะเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ปูยาตายายของพวกเฮ้าผ้าเดินนั่นแหละพลเดินมาแล้วมีตความจะเริ่นรุงเรื่องการว่าเดินออกจากนี่ไปแล้วมีตความหายนะมีตความบอดีบัว ง, งามใน ล, ลูกหลานเป็นอย่างยังบอกจังสัน่นคือศิลธรรมเนี่พระพุทธเจ้าลุพระ พุทธศาสนาพอแม่ครูบาอาจารย์พระไฟพระสงฆ์เพิ่นกัดกันกองมะแล้วว่าบอมีเอ็นเดอันไหนสิดีทอศิลธรรมขันนาวาพวกเฮ้าทุกขู่ทุกคนอยู่ในศินในธรรมถึงเยาะบอมังบอมี่กบฏถูกบอจดขันนาวาเฮ้าออกนอกหลูนอกทาา่างว่าเฮ้านี่มันจนอไปหาป่นหาขา ห, าหาลักหากระมยุยอพอว่ามันจน ออกนอกหลูนอกท่างนี่อีกสักมือหนึ่งพวกเฮาก็จะได้ประสบสิ่งที่บกพึ่งปรารถนาก็คือบางที่โจรผู้ไลก็ยังวานบ่เป็นทีเกียรดทีช่างของค้นทั้งหลายบ่เป็นทียอมรับไปอยู่ใสก็เดือดร้อนเขาก็ต้องจัดการกับค้นที่บอดีในชุมชนของเขาคานาว่าเขาอยู่ในชุมชนถึงจะทกยากลำบาก เอะแบงกันอยู่แบงกันกิน่นแบงกันใสอะไรก็เกือกูนหนุนกันนี้อะไรที่จะเรื่อลงเรื่องยังคุกมือคู่ ม, มือเนี่ยเขาจัดเป็นช่อมล่มหรือเป็นสมาคม่มเป็นเอ้ยังขืนมากอายังช่อมล่มสวนยางจังสิหรือว่าช่อมล่อมกวยตาจังสิหรือว่าช่อมล่มเอียงือ่องที่การ เ, าเป็นสมาคม่มข้นมา าว่าพวกเข้าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ช่วยกันส่อแหวงหาเลยช่วยกันทํำช่วยกัน เ, เป็นสินค้าพลิบออกไปจากชุ่มชนของพวกเข้าหลวงพ่อว่ามัคก็มิตความผาสุกที่อยู่นั่มกันแต่ทาว่าพวกเขามีแต่หักเกราะเกรียมมีแต่ขโมยโผยโจนขึ้นมาในชุ่มชนชุมชนของเขาก็เดือดร้อนเลยบางคนกับขี่ลักนะขี่ลักจังไดเนี่ย ไปรับยาบ่ายยาม่าม้ามาขายให้มู่กินะมาขายให้หลวงให้หลานผู้อื่นกินนแต่ไม่จริงมันบอถืกหลวงพ่อว่ามันต้องมั่นเห็นแก่ตัวเกินไปเพราะเหตุใดขันว่ามาถือพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเจ้าของล่ะเฮามีความรู้สึกจังใดขันว่าเฮาไปแมนอยู่ว่าเฮาได้เงินเออเฮาได้เงินกําไรที่เฮาไปรับของพิดกฎหมาย อมาขายให้พี่น้องลูกหลานของเฮ้าขันว่าเฮ้าขายไปแล้วบันเฮ้าขายไปแล้วบันเฮ้าได้เงินก็จริงอยู่แต่ว่ามั่นเสียเสียเสียขู่เสียคนเสียพียเสียน้องเสียลูกเสียหลานติดยาหมาคันชายาฟินเฮโดอินมั่นว่าเป็นผลดีสาหรับชุ่มช่นของเฮ้าแต่เฮ้าพูดหนึ่งก็ได้กําไรไปนั่นแหละได้เงิน พอมันขายอขายพวกมันเนี่ยลำค่ามันมันแพงมันพิดกฎหมายไงแต่ถ้าวามัตถือกับพี่น้องลูกหลานของเจ้าของระบาดคิดปังโรคบาดไอ้คันว่าพอ่อของเข้าติดยาบาแม่ของเข้าติดยาบาลูกของเข้าติดยาบาหลานของเข้าติดยาบาขันชา ย, ยาวฟินเข้ามีความรู้สึกจังใดดีใจใช่ไหมขันเจ้าของติดยาเสพติดเหล่านั่นเข้าไปดีใจใช่ไหมคงจะเสียใจที่กันมัดอนาคตคนไป พ่อยนั้นพวกเฮาต้องคิดให้ดีเลยเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเอาใจเฮาไปใส่ใจเขาถ้าวเฮาคำว่ า, า ม, มาถือกับเฮาเฮาก็ะทุกใจคำว่าไปถูกกับผู้อื่นผู้อื่นกระทุกใจขึ้นกันพ่อยนั่นให้เบังให้ดีคิดให้ดีนะลูกหลานทุกขู่ทุกคนการทํามาหาเลี้ยงชีพการอยู่ด้วยกันอย่าไปเอารัดเอาเปรียบกันจนเกินไปอันนั้นไปว่าเอารัดเอาเปรียบ พ่อไพรติดยามากขึ้นมาดวันเสียขู่เสียคนมันพราะเสียของมานหลว่อเป็นธรรมดาเด้ไอ้มันขากู่ขาคนครับรถชนระไปมัดการาวันวันได้กินเอ้มันเสียขู่เสียคนไปดูกับคนในชุมชน่นน่ะก็ลําบากไอ้พวกเฮาอยู่ลําบากเลยขันมาพวกไรติดยาบา ย, ยามามากๆมักมีต่กี้ขโมยโผยโจรในชุมชนของเฮาจักสีวาจังไลยฮะสีจับหรือสี บอกจังไดกับพี่พี่น่องน่องลูกลูกล้านล้านเท่เนี่ยเนี่ยจสิ่งเรานี่ขอให้ลูกหลานทุกขุทุกคนนะไปอยู่ในสถานที่ใดอย่าให้ทําไม่ผู้อื่นเดือดร้อนกับเจ้าของอย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนกับเผ่านะอย่างหลวงพอ่อมาอยู่นี่คือนกันเห็นหมดละหลวงพ่อไม่แต่เกื้อกูลหนุนจร่งใดที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อพีต่อน่องต่อลูกต่อล้านหลวงพ่อก็บัได้ม่องคำลงเลียนนั่นขาดนั่น โรงเยาบาลนี่ขาดนี่พ่อสีซอยใดลุงพอก็บซอยโรงพยาบาลน่ะขาดนั่นขาดนี่ลุงพอก็ซอยสาธารณะเออหรือว่าพี่น้องลูกหลานมีความทุกข์ยากลำบากเย็บไข่ได้ป่วยเขามาหาลุงพอลุงพอผมไปโรงพยาบาลเนี่ยพได้รับความสะดวกลุงพอสีซอยผมใดบอในเรื่องนั้นเรื่องนี้ลุงพอก็นับบอกขวัยกันได้ซอยพี่น้องลูกหลานเออพรเหตุใดก็เพราะว่าลุงพอพ่อสีซอยจึงไหนใดก็เกิด จะเกิดประโยชน์ต่อชุ่มชนหลวงพ่อกับพยายามทำให้ดีที่สุดกับชุ่มชน่นเขาว่าจะเอารัดเอาเปรี่ยอสิกินชุ่มชน่นหลวงพ่อคิดแล้วจะบอ้มีมีแต่จึิงไหนจะเกื้อกูลหนุนอย่างนี้แหละบัานว่งบงหลวงพ่อจะเด้หาทุนไปใจายให้เจ้าต่อเติมอาคานสันล่างนักเรียนพ่อพออยู่เขาก็มาขอเนี่ยหลวงพ่อก็ให้ไป แสนสองมืนกว่าบ า, าทบอกธรรมด์เป็นแสนเก้าเขาข้าเจ้าหาใดหาหกเจ็ดหม่นหลวงพอ่อคนนี่นะอันนี้มอว์วให้ลูกหลานฟังบอแมนววให้อวดในลูกหลานได้วอแมนขันบวอววให้ฟังลูกหลานก็บโบหูเขืกันหลวงพอ่อใดจะตุปัจัยมาซอยยังแน่นเดี๋ยวนี้หลวงพ่อกระจายซอยโรงพยาบาลอุดร อ, อ, อีกตึกหนีไฟติดกระหลงตาตึกเป็นที่จอดรถอีก ตั้งมติถึงเจ็ดสิบแปดล้านคนนะหลวงพ่อกัอนเนี่ะเป็นประธานในการหาทุนไอ้ซอยเหลือโลงพยาบาล น, นี่แหละซิงโมนีหลวงพอ่อลูกหลานทของสู่เจ้าเนี่ยบริเนิ่งดูดได้ได้ดูแลชุ่มชนสังคมพอที่จะช่วยเหลือเจือจาร์จึงได้ได้นะหลวงพ่อก็บซอยเพราะนั่นหลวงพ่อจึงบอกให้ลูกให้ล้านทุกขู่ทุกคนเอดูใสให้เป็นคนดีนะลูกหลานเนะ้อ อย่าให้ผู้อื่นเดือดร้อนกระเพ้าเนะ้ออย่าไปขายยาบาขันชายาฟินเฮลูอินทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนะ้อสิ่งเราเนี่ยลงพอก็บอกพอเห็นเลยพอลงพอผ้าถ้ำมาแล้วนะมีแต่ความเย็นใจท่านน่ได้เดือดร้อนใจได้เมื่อทําดีแล้วขนเอากรเพ้าเฮ็ดพอดีเอเฮ็ดสิ่งมันบอดีนะมันจะเดือดร้อนประเทศชาติเดือดร้อนชุ่มชนเดือดร้อนพี่นองลูกหลานของเฮ้าเดือดร้อนเฮ้าเนะี่ะ อ่มันได้เงินก็จริงอยู่อะกรรมมุนีนาวัตตีโลโก้ทรัตรโลกย่อมเป็นเป็นไปตามกรรมที่ตนไดก้กระทําไว้ันว่าเข้าเห็ดบอดีกรรมบอดีมันจะแว่แรงมาหาเจ้าของเนีเออมันก็แมนอยู่ได้เงินแต่ว่าอีกซักมือเนอะลูกหลานของเข้าติดเอยาบ้ายาเสพติดเข้าไปละบาดเนี่ยโอ้ปวดหัวบักแทมมันเข้าเ่าแก่ชราบัานเห็ดอย่างบอได ลูกหลานครอบขรางมิแต่ติดยาทั้งมัดเนี่ยพราะกรรมที่เข้าด้เหตุไฟต่สมัยเป็นนุมนะ เ, เมื่อเข้าเถาแก่จะล่า ม, มันเล่นงานบาดทเท่าได้กรรมทั้งหลายกรรมชั่วทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี่นะหลวงพอลงตาหลวงปู่พลสั่งสอนมาจังสี่ในะลูกหลานเลยให้ตั้งอกตั้งใจไปทำมาค้าขายไปอทำการบริษัทห่างร้านไดนก็ตามเมื่อกลับมากกันนี่ยนะอย่าลืมพ่อลืมแม่ พอแม่แต่เรียงดูห้ามา่าแต่อีสานนี่ย้องพอก็อุนนนออนอ่นใจแน่วหนึง่งเด้อีสานของห้าในอุ่นใจแน่วหนึ่งคือบอบอกคอยลืมพอลื่มแม่ถึงจะทุกข์จนปัญใดกลับมาเนี่ยก็ย่งมหาพอหาแม่อสมมุติว่าเนี่ยบริษัทหางล่านเนี่อกันเวลาเกี่ยวข่าบอกเวลาดำหน้าบอกเวลาเหตุงานนี่ยโดยมานี่ยเขาจะหลังปันได้ก็บโบยู่พราเหตุใด พอคิดถึงพอ่พอแมยพอม่อแมยทุกยากลาบากในการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าตัวเองก็เคยทุกยากลําบากดําให้ดําหน้ามากมากจงมาช่วยกันอะอถึงอย่างไดรก็ยังคอยมาช่วยกันก่อนยังคอยไปเหตุการงานจุดนั้นจนเขาทั้งบริษัทหางล้านเขาก็โอ้คนอีสานเนี่ยพอย่ำให้ย่ำหน้าย่ำเกี่ยวเขาเนี่หนีมัดตามทั้ทีถ้าจะทีคิดนถ้าคิดแบบเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจคืออย่าง ใครๆก็ว่าเอาเอาเงินที่เท่าได้ทํางานอยู่เดี๋ยวนี้ย่ะเอาไปจ้างผู้อื่นเอาไปจ้างผู้อื่นให้เกีียวเขา่าให้ดำหน้าให้ให้ ท, ทําธุระแทนเท่าได้มันก็เกินคุ้มมันเกินเกินราคาที่เท่าไปจ้างเอีแต่ว่าคนทางอีสานของเท่าบอกว่าแมนยุ่เนีไปจ้างผู้อื่นมากมันบ่กคือเจ้าของไงบอกคือลูกคือล้านไงคือพี่คือน้องไปเบิ่งซอยกันเท่าน นี่แหะอันนี้หลวงพ่อเห็นนำใจของพี่น้องลูกหลานของเฮ้าเช่าอีสานเนี่ยเป็นผู้มีนำใจต่อขอบต่อขั้วต่อพอต่อแม่ในอันดับหนึ่งแต่ต่อไปพ้าอภาคหนาหลวงพ่อก็เป็นห่วงอยู่คือกันเนะี่ย่ามันจืดจางไปตามโลกกาพิวัตรโลกเขาว่าจังไรก็ไปตามผลชุบกชกื้อกลลิม่มพระคุณของพอของแม่ที่ภูให้กําเนิดเฮ้า กำเนิดเอ้าเกิดมาจากพ่อแม่แล้วให้เบองเนะอย่าลืมนะอจุดนี้นะเป็นจุดที่สําคัญมากในร่างในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพันสอนไว้เนี่ยพันสอนไว้ไวถึงจะไปยูไสก็ตามให้ล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ถึงตกทุกข์ยาในยากยังไรก็ตามบอกให้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคู่บาอาจารย์มาซอยภูคาดเดอรข้าวนี่ยให้ล้ำลึกถึงพระคุณพระคุณเล่านั่นถึงจะบวมมีตัวมีตน แต่มันเป็นพลังทั้งด้านจิตใตจใจมันเป็นบุญกุศลที่เข้าในถ้ำดีไปแล้วมันจะเข่ามาช่วยเกื้อกูลหนุนถึงจะเป็นเรื่องนักก็กลายเป็นเรื่องเบาไปได้เพราะเหตุใดเพราะเขามีจิตใจลาลึกถึงพระคุณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาช่วยให้เนี่ยยามเข่าขับขันย่ามเข่าตกทุกข์ได้ยากแตถ้าว่าพวกเข้าบริถถ้าคุณงามความดีเชเลยเข้าจะลึกถึงไป แม่หอดพ่อฮอนแม่ก็ด่าพ่อด่าแม่อีกตั้งหากเมื่อเห็นคู่บ่ายจานก็บอกเคารพนับถือเรื่อมสส่อีกเอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็บ่นเสือกันอีกบา้านในห้าวจะอะลึกถึงไปอะลึกถึงความสัวความสัวทั้งหลายเอ้ยผู้ขาสทรับมัดดอกเสว า, านั่นความสัวเขาไม่ให้เจริญบ้านนี่มันแห้งสัวเขากว่าเก่าอีกแห้งตกทุกได้ยากขึ้นไปอีกนะเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะประกอบคุณงามความดีให้สางคุณงามความดี ให้ลำดึกถึงประคุณของพอของแมรของพวกเข้าไว้เมื่อพวกเข้าทั้งหลายเนี่ยลูกเต้าเล้าลานเมีมีซีหารอบขั้วไปทําการทํางานถึงจะเป็นไผ่เป็นเขยมาจากเอต่างจังหวัดก็จา ม, ก, จามก็ตามมัไปพอกลับมาหาพอหาแม่เข้าเข้าก็ไปายามบอกแนะนําทั้งแฟนเนี่ยทั้งทั้งเขยทั้งสะไผ่ให้เขารบเข้าตรงผ้าเขารบในเมื่อเข้าไปหาเอแฟน ทา้งแฟนพ่อผัวเออเอเอหรือว่าไปหาแม่ตาพ่อตาแม่ยายเฮาก็ต้องแสดงความเคารพคือกันครับเฮาไปหาเขาเขามาหาเฮาเออแต่ว่าเฮาเป็นสะพ้ายเฮาก็ต้องเคารพพ่อปูเมียขันธว่าเฮาเป็นเขยเฮาก็ต้องไปเคารพเอพอพ่อเถ้าแม่ตาของเฮาคือกันกันบพ่อแม่ของเฮาจะไปถือว่าเก๊กเก๊กกางกอันนี้พ่อเจ้าอันนี้แม่ข่อยโมแม่ได้เอาเด้ ให้เขาหลบคืดกันเออพอว่าก่อนที่เข้าได้ผัวมาเนี่ยพอแม่เพิ่งเลี้ยงไม้เข้าแล้วก่อนที่เข้าจะเด็เมียมาเข้ากับพอแม่ของกระจ้าเลี้ยงไม้ให้เข้าแล้วเอข้ากับต้อ ง, งสองข้นกับเป็นผูญญน้ใหญ่ทากันแล้วพิษถูกจังใดสิ่งควรบกขวรจังใดอันนี้พวกเข้ากับเป็นผูญญ้ใหญ่แหลอข่วรจะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของลูกเข้าอีกต่างหากบ้านพวกแล้วลูกเข้าเกิดมาเนี่ย เข้าก็บภาไปกับพ่อเถาแม่ตากับพ่อปูเมียญาลกูกหลานของเขาก็เฮี้ยนเป็นตัวอย่างอบอกเออเวลาพอ่อแม่เข้าไปกับไปหาพ่อปูเมียญาเนี่ยมีมี่ยังติดใหม่ติดมือไปอบางที่มีเสื้อผ้าบางมียุกมียาบางมี่อาหารการบริโภคถึงที่พ่อแม่เข้าชอบกินจังไหนก็บอกเขาก็เจียดไว้ในงานปีใหม่บก่กงานสงการบอ เออมันก็บอลเหลือวิีไสเราเข้าชอ ย, ย่างอืน่นเข้าก็ยังใชัได้เข้าได้เงินมากสองสามสี่หาพันมืนสองมืนเออไปเข้านี้เข้านาจะเจ็ดเงินให้พ่อให้แม่ผู้ละพันบาทนะเข้าก็ะเตีมไวไหวเอาให้ไปหอดกันยใช้มือพันเออพันหนึ่งคนละพันเพื่อนก็ดีอกดีใจแล้วพ่อแม่ได้เงินโอ้ลูกหัวเข้าบอลืมบุญเรื่มคุณเนาะเออที่เข้าเลี่ยงใครเจ้ามากถึงอย่างไรเขาก็เป็นคน ทุกคนจนไปทำมาปากกัดตีนถีบเขายังบัลืมพ่อลืมแม่นะพ่อแม่ได้เท่านั้นก็นดีอกดีใจถึงจะพ่อแม่สีรวยนะสีมั่งมีขนาดใดก็ตามท้าลูกมาเลยเฉยบ่มีอย่างติดใหม่ติดมือมาเลยนะพ่อแม่ก็แหงใจเลยเพอเพอเด้ยินผู้อื่นเลยลูกผู้นั้นเขาจากเขาจนเขามาให้พ่อให้แม่เท่านั้นเท่านี้แต่ในใจพ่อแม่ของของเขานะี่หมุบมาหมุบมาโอ้ลูกเขานะี่ เลี่ยงมากจังได้บูจักบุญคุณของพอของแม่เลยนงะซิงโมนี่มันอยู่ในใจเลอในใจของพอของแม่ถ้าพอเข้าเป็นพอเป็นแม่เข้าสิฮูจักีเองหรอกของพระ น, นี่เอเดี๋ยวนี้เข้ามาท่านฮูจักบุญคุณของเพลินแต่ว่าต่อไปผ้ายภาคนานเอนถ้าพอเข้าเป็นผู้ใหญ่เป็นพอเป็นแม่เขาลูกเต่าเล่าลานไปทําการทํางานขึ้นมากนะเอเขามาเฉยๆเมื่อยๆกับเเพ่นเข้าจิมีความรู้ซึกเด้ เนี่ยพอนั้นขอฝากไว้กับลูกกับหลานทว่าเข้าปู่ท่างไว้แล้วนะเข้าผ้าทําดีผ้าลูกผ้าหลานถําดีไว้แล้วนะลูกหลานก็จะเดินตามแนวแถวที่เข้าผ้าดําเนินเป็นเสียจะลูกแวกแน่วอีหลี อ, อีกอีกแนวนึงลูกแวกแนวก็ต้องมีอยู่นะลูกแหวกแนวแบวกก่อประยูนในขอบเออในขั้วหรือว่าประยูน่ทําน่องข้องถ้ำมันก็มีอยู่แต่ผู้ที่มันดีมันก็มีอยู่ก็เป็นตัวยางของพวกเข้า พนันขอให้ลูกหลานทุกขูทุกคนนะเออเวลาไปทําการทํางานเวลากลับมาบานมากเฮื่อนี่ยบอแบนสิพ่อสิกลับมาปีใหม่แล้วแตกินเหล่ามาทั้งผุนอ่ะเอ่เมาหัวแปะหัวแปดมาทั้งแตดเอ่าสำนักงานผุนอ่ะมาหอดบ้านกับพูดกันบรูเรื่องอีกกินเหล่าอยู่นี่อีกเออบ้านห้าแล้วผุนอ่ะกินเหล่ากลับไปหอดผุนอ่ะสํานักงานผุนอ่ะยังคอยสร้างกันบัสร้างกับบดไดใหญ่ด้เขาชิไรเอกจากงานมานันออกไปเฮ้ยหอดผุ่นยังคอยสร้าง จักสิขืนมาอย่างขืนมาบาทบอกเกิดประโยชน์เสียประโยชน์อีกต่างหากขืนมากันายจะมาผูดมาคุยกั น, พนอพี่น่องมีักคนซีหาคนทั้งเผยทั้งตมบะไข่เกิดเป็นซิบคุนกมาปรึกษากันเออเป็นในพ่อแม่ของข้าป่วยบอสบายบอเย็ยบไข้ได้ป่วยบอขาดเหลือดอยัางบอฮะมันต้องซอยกันคิดจังสันเลยเนี่ยรักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นว่าเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านยังปีหนึ่งจังเสียงปีใหม่และสงการให้เฮ้าขืนมาพอแม่เฮ้าตายละมาร่วมกันเออพอพอพอตายเนะยังแต่แม่เฮ้ากลับขืนมาเออเอาคนออกเงืนคนละร้อยสองสามร้อยทำบุญอุทิศ หาพอเนาะแหออยังมากเหมือนเดิมเสียดสื่ออาองอ่านมากทำบุญถวายข้าพส่งกุทิบุญกุศลหาพอเนาอให้พ่อเหมือนกันทังทีล่ะหรือว่าแม่ตายเนี่ยก็ทำบุญกุฏิชวนกุศลห้แม่หรือว่าห้ตาห้ยยาที่พนถิ่มมอหลลโรคไปห้เห่าอย่างเชื่อพนหามอหลลโรคห้พร่อมอหลลรคไผ่มอหลลโรคตากรับย่าหรึอปูกรับยาเนี่ยแอที่พนถิ่งหายเห่า มาร่วมกันทำบุญเอ้าอุทิศส่วนกุศลให้เพลินนาเพลินทิบมรดกที่ให้ทีหน้าที่หัวที่สวนที่บ้านให้พวกเข้าจนพวกเขานี่บ่นดอยลื่มตาอาปากไรก็เพราะปูย่าตายง่ายหามรดกให้เข้าให้เซิงโมนีพวกเข้าต้องรำลึกถึงพระคุณอะสรุปแล้วลักของพุทธศาสนาเนี่ยบ่อห้ลื่มบุญคุณเลยอย่าไปเลื่อมบุญคุณของพอขลองแม่ปูย่าตายงาย ผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายบวแมนปูญาตายยากกว่าเธอที่เพิ่นหาพระคุณเฮ้าถึงงามเฮ้าตกทุกข์แต่ยากเพิ่นซอยเหลือเฮ้าอันนั้นพนว่าวิษษะประมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งะคณะว่าเป็นพี่น้องกันก็ตามมีแต่ฮักเลี่ยหักเลียมกันมิถะเจขาดจิตแกงกันมีิถะติจิตเออขาดจิตฟั่นกันอยู่พ่อพนั้นถึงจะเกิดมาในเป็นพี่เป็นน้อง กรบอกเมนญาต์เพิ่งวะเพราะเหตุใ้เกิดมาเป็นอริัตรูกันคันธวัูุได้ก็ตามขันเท้าไปผู้จักก็เพิ่งเพิ่งเกือกูลหนุนเพิ่งหาเอ่อเพิ่งสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้เท้าเอออันนั้นเพิ่งวะยิ่งกว่าญาติมิตรศาสะปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งในพระบาลีเพิ่งวางสันพิจนามันว่ามันแมนความพระพุทธเจ้าเพิ่งาไว้ยเด้ขันพี่นองเกิดมานํากันกับจริงยุไม่ยังมแต่ตาเขียวปัดใสกันมิตร มีแต่สิขาสิแกงกันแย่งกันในมอระดกตรวงพ่อบ่บ่ถูกน่าถูกหลานนะออพอแม่มิมอระดกเ อ, อมิยังกะแจ้งจัดสรรปันส่วนกันให้มันถูกต้องออบ่แมนผูนน้นั้นจักได้กิลออบโอจนว่าพิษ พ, พ, พี่พิษนองจนบาา่เผาจนบ่เผาผีจีกระดูกกันมันกับบ่แมนไ ด, ได้แม่บ่แมนแนวได้ อ, อแล้วก็พร้อมกันก็จะลืมศีลธรรมเนื้อบัตรอันนั้นคือการเป็นยู ที่ลงพววทั้งหลายทั้งปวงนะี่คือการ เ, เป็นอยู่การว่างตัวของเฮ้าจะทําจังใดจึงจะถูกต้องจึงจะใดจะมีความซุกในชุ่มชนในสังคมถ้าจะจัดเป็นกฏขึ้นมาครับเราจะว่ากฎหมายกรแมนที่ลงพอววไปเมื่อกี้เนีเ่ยหรือจะว่าศีลธรรมกรแมนศีลวาจาริยธรรมคือความประพฤติกระแมนอคือความถูกต้องในการเป็นอยู่ร่วมกันแต่มา่ อีกถึง เ, เรื่องศีลธรรมทางด้านจิตใจอีกต่างหาก้บาดอพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าคนเฮาเกิดมาแล้วเอเกิดมาแล้วตายแล้วบ่อศูนย์เนาอพวกเฮาทางหลายเนยาะชัท่าแงะนิมม์ทางหลายแล้วตายแล้วบ่อศู น, นย์พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกทังสั่นเลยเป็นอยังพระพุทธเจ้าจงบอกสันพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเพิ่นไปค้นคว้าศึกษาเมื่อที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู่เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธียาญ อยู่เงาตนโพ่อประเทศอินเดียนะที่พุทธกายาานะพนังภาวนานะีน่ยนางภาวนา่าขาขวาทับขาซ้ายยังพระนางสมาธิเต็มเนี่พระประธานเนี่ยพ น, นะพนังสัตวละ่ะขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้านะกำหนดลมหายใจเขา่าหายใจออกหายใจเขา่าหายใจออกบอกคิดถึงเมือว่านมือก่อนบอคิดถึงอดีตมืาคือตั้งแต่ ตั้งแต่หลวงพ่อนั่งแต่เว่าวเดี๋ยวนี้หลวงพอ่อบอกคิดถึงอดีตที่ที่ที่หลวงพอ่อนั่นแล้วก็บอกคิดถึงอานาคตเข้าใจอยู่ในปัจจุบันในคำพูดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฮะพระพุทธองค์อยู่ในปัจจุบั น, นดเดี๋ยวนี้พระไถ่หรือใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งรวมอลไวก็จิตร่วมปุ๊บลงไปพอร่วมปุ๊บลงไปนิ่งฮะพอคิดพ่มีในอดีตบ้อนี่ในอาานาคต เกิดญาณนรัศนะเกิดชาญขึ้นมาเนี่ยเกิดความรู้อันนึงขึ้นมาในพระไทยที่สงบนั่นในเมื่อเกิดความรููขึ้นมาในช่วงนั้นเกิดญาณทัศนะเกิดชาตญพอเกิดชาญพระองค์ก็น้อมจิตลำลึกชาติท้นหลังได้เออคือกันกับเข้ารูเออตัวเลขขึ้นมากอาจารย์นะเออตัวเลขขึ้นมากเข้ากับเออพอบวกลบคูณหารถูกได้มากกับไล่ขึ้นหลังเลยทับทบทับทับทับถึงอดีต อดีตที่แล้วเป็นอย่างอดีตก้อนเป็นอยังชาตินั้นเป็นอยังไล่ไปเลื่อยวันอันนด้บอกปุเพเนิวาสารุสติญาต์ล้ลำลึกลึกชาติโหนหลังได้นี่อจากนั้นพอถึงเทียงเคื่อดีพระองค์นั่งพ่อหน้าดูใจพระองค์อีกบ่ให้มันพุ่งไปทางอื่นอีกว่าใจดวงนี่มันมาจากใส่มันมาเกิดมาจากใส่มาเกิดออกจากนี่มันจะไปใส่อันนี้พระองค์ก็รู้ได้อีกว่าจุตูปะปาตยาดการจุติของสัตว์ ของวิญญาณของใจแต่ละคนมานี่มาเกิดเพราะเหตุใดมาใส่ก่ำเรื่องอันใดเจ้าของเฮ็ดซัวจันไหนเจ้าของเฮ็ดดีจังไหนจึงมาเกิดมองนี้บางคนเกิดมากเกิดเป็นคนโง่หูหนวกตาบอดอิตาหากพระพุทธเจ้าพณว่าในชาติที่แล้วนะ่ะทำความซัวเอความซัวของเขาจังสันจังสนจังจังสันเนอ้นพว น, นี้วิญญาณนี่จึงได้มาเป็นจังซี่ที่เขาม้าลวยเขาเ้านี่เป็นเพราะเหตุได เพราะเป็นนักศึีเซ่พอเขารุวยไะอย่างพระพุทธเจ้าพนในสมัยนั้นนี่ภาพผู้หนึ่ ง, งรุวยตึงแปดสิบโกดเกิดมากแล้วแต่ขีทีพวนวะขี่ทีพอย่อมแบงปันไอ่ผลที่โชติก็ตายพ่อตายพระญ า, ะาะปเสนไปขนซัพ์มาไว้ในทองประคั่งเลเจ็ดมือออนลงไปบอมีหาาิบอกมีพีมีนองเพราะว่าได้มาเป็นพีพกนกไล่ขานี้มดตัดหยาิขาดมีรไวมดตัวลงไป บาตรแล้วกับพลเกิดลุ้ยนะพ่อตายไปแล้วเพระมีญาติพี่น้องพระญาปมาเสียขนมาเจ็ดหมื่อย่งขนเงินมาไวในทองพระขั้งจะไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามหาโพธิ์พทหายไปเจ็ดวันไปใสพระเจ้าประเสียนบอกว่าข่าพระองค์ไปขนเอาทรัพย์เศรษฐีมาไวในทองพระขั้งเพราะเขาบ่มีญาติมีเงินมีเงินล้วนๆนะแปดชิปโกดมีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นอีกมากไม่พระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่า เศรษฐีผู้นี้มันเคยรุ้ยมาแล้วเด้อันนอันนี้เป็นชาสตรที่เจ็ดแหละเนี่ย่วยมันเจ็ดศาสตรน่ะชาติที่เป็นชาสตรที่เจ็ดมดแหละเขามรดบุญแหละเนี่ยแหละมดบุญชาติที่มดบุญแหละเอ่อต่อไปนี้ทักทีไปใส่กระโปงหูล่ะอาจจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่ใส่กรรมไปเลยล่ะแต่อเนยสงที่ได้ท่ำบุญมาแล้วมรด์ในชาตินี้นยการท่ำบุญกับมดบุญคือกันเด๊ะคือกันกระพดไปติดคุกจัน่ะ ไปคนไปติดคุกเนะี่ยพอติดไปที่ไปมันกิดพ้นคุกขึ้นกันเลยอันนี้คือกันไอ้คนที่เฮ็ดท้ายเฮ็ดหน้าขึ้นกันเฮ็ดในเฮ็ดห น, น้าเอาเข่าไว้เต็มยุงเต็มสางพอเฮ็ดต่อหน่อยนี่จะกินเขากินเขา่า ป, ปีสองปีมันก็มัดเข่าในยุ่งในสางขึ้นกันอันนี้คือกันพวกเขา่าพอทําบุญต่อมันก็มดบุญขึ้นกันเลยลูกหลานทั้งหลายนี่หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเพณนบอกเพณ์กล่าวไว้จังสันละ่ะนี่แหละหลวงพ่อได้นน้ ทำค้าสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกให้พวกเข้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายละเบอศูนย์ตายระเกิดอีกสิ่งที่เกิดหนึ่งคืออย่างคืดใจร่างกายของเขา้าคือกันกับรถส่วนจิตใจนามมารมที่มองบาเห็นนที่ตัวรูรูตัวรูรูตัวนึกคิดตัวนะั้นคือใจตัวนั้นนะคือกันกับค้นขับรถพระพุทธเจ้าเพ้นไปนั่งภาวนาเพ้นไปแยกแยะถึงขนาดนั้นเด้ จากนั้นกับพ่อแม่คู่บ่าจารนหลงปูหลงตาเห่าเนะี่ยเพิ่นไปนางเผาหน้าอยู่ป่าดงพงไผ่ยอยู่ตามถาม้ำตามเหวอยู่ในที่สงบส ง, สงัดเป็นนางเผ่าหน้าเออแมีนความพระพุทธเจ้าอิหลีเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจึงคนขวัาศึกษาใดขนาดนี่นี่แหละอันดับแรกให้พวกเข้าลูกหลานทั้งหลายตั้งความเชื่อไว้เชิญนะให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนะี่ยเพิ่นสอนว่าตายแล้วบ่อสูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มี นั่นสิ่งที่มันสิ่ที่มันบอดีอย่าเห็ดยาท้ำคันว่ายเฮาเห็ดเท่าท้ำไปแล้วนะบุญบาป อ, อกุศลจะตามพวกเฮาถ้าเห็ดแต่ความดีถ้าถำถำแต่ความดีบุญกุศลจะตามเฮาคือกันสรุปแล้วก็คือใจใมนโนปุพังขมาธรร ม, มามนโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ ใจคืออย่างก็คือใจคือตัวผู้ลูกนี่นแหละตัวนี่แหละจะภาพไปเกิดในพบภูมิต่างๆสรุปแล้วก็คือใจของเขานี่เป็นตู้เซฟเลยเป็นตู้เซฟเก็บทั้งบุญเก็บทั้งบาปบาปก็ยัดลงไปในหันบุญก็ยัดลงไปหั น, หนขันพอได้เหตุบาปบาปก็มากยัดลงในหันคือกันผลได้เหตุบุญบุญก็ยัดลงในหันขึ้นกันเพราะฉ น, นั้ น, น พ, พวกเขานี่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้า เกิดมาพบคู่บาอาจารย์ที่แน้นอ่สังสอนให้พวกเฮ้าฟังฟังไว้นะให้ฟังฟังไว้ได้อย่าไปเฮ็ดสิ่งที่มันชัวร์ถ้ามันชัวนะเน่ะเฮ็ดเขา้าความชัวรเข้าไปแล้วมันมาเก็บอยู่ในใจเฮ้าเด้็อคานว่าเฮ็ดความดีความดีกะอยู่ใ น, ในใจของเฮ้าบาดทะเนี่มือมือชุดท่ายพนักบาตเนี่ยเมื่อเฮ้าตายไปพอนะเอพอตายปับ๊บบาดเองแค่ น, นั้นแหละความชัวรนะมันจะล็อก ผ้าเห่าไปสู่ทุกขคติเลยแหละไปเกิดเป็นไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดิฉันสร้างมากมวกควายมูหมาเป็ดไก่เป็นไดทาง ม, า ม, ามัดผนวะแง่กรรมชัวผ้าไปถ้าว่ากรรมดีผ้าไปกันพ่อตายไปแล้วย่างน่อยามาเกิดเป็นมนต์เห็นสมบูรณ์เอาไหวยวะจากนั้นก็ทํามาหาเงินก็คล่องแขลวบุญกุศลเกื้อกูล น, นุนจากนั้นบุญมากก็นักกัไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีไปตองหาเงินอยากเลยไปเลือกเกิดอรรถ จากนั้นกันออกจากเหนือควนั่งก็ไปเกิดเป็นเทวดาเทวบุตรอยู่สวรรค์สันฝาเขาสู้นิพพานได้ทั้งมรดกพอบุญกุศลเป็นเครื่องเกื้อกูล น, นุนเพราะนั้นความดีนั่นแหละคือบุญความซัวนั่นแหละคือบาปพูดง่ายๆเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายเลยอย่าไปเหตุความซัวความซัวพาไปหาทุกความดีคือพาไปหาสุขนี่แหละในหลักของพุทธศาสนา ลูกหลานไปทาํามะค่าขายมีแต่ธรรมะหาเลี้ยงชีพบอดิฟัง่งบอดิศึกษ า, อาบอดิยินบอดิฟัง่งคู่บาอาจารย์ลงปูลงตาเวา้าบอดิมาสูวัดว่าศา ส, สนาลงปูลงตากเวา้าธรรมะให้ลูกหลานพอ่พอเป็นแนวความคิดนะ เ, เป็นเพื่อการศึกษ า, าลูกหลานให้นําไปคิดไปศึกษานะไปไตรตรองเบังจากนั้นไปค้นคว้าบังจากนั้นอ่านศึกษาไปเรื่อยนะ นางภาวนาจังไดรักษาศีลจังไดหาท่านจังไดนี่แหละพวกเข้าจะมีแต่ความจะเริ่อรุงเรื่องเออมื่อนี่เป็นงานปีใหม่วันที่สองนะเมื่อว่านกับวันที่หนึ่งเมื่อเนี้เป็นวันที่สองลูกหลานมาจากต่างถิ่นต่างแดนมากมายหลวงพอก็ได้เบเอกแนวความคิดเลืองแนวธรรมะในทางพระพุทธศาสนาให้พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประคุณของพอของแม่เนะ อย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวเนี่ยนะอย่าไปลืมพระคุณของบิดามารดาอถ้ามาพวกเข้าลืมพระคุณของพอง่อของแม่อีกสักหมื่นหนึ่งพวกบุญลูกของเข้าเนี่ยก็จะเริ่มบุญคุณเข้าขึ้นกันนั่นแหะมันบอไปใสหรอกอกองหลอกกำกวียนมันวนเวียนมาหาเจ้าของนั่นแหละน ะ, อะตอนนี้ไปพระสงฆ์จ้าโนโมทนาไห่พ่อเ น, นบนันเนเน่